ตอนที่ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะกล่าวสัมมณียกถาประจําวันพระให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในช่วงที่ผ่านมาหลวงพ่อจะพูดให้แก่ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบวภาระของหลวงพ่อนี่บางทีกับบางคนเข้ามาก็ไม่เจอไม่พบหลวงพ่อ หลวงพ่อทำไมออกนอกวัดบ่อยนักช่วงนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะออกเหมือนกันนั่นแหละแต่มันภาระธุรกิจทุระของพระพุทธศาสนาจำเป็นจะต้องได้ออกอย่างเมื่อวันตั้งแต่วันที่หตั้งแต่วันที่6ไปกราบคารวะองค์หลวงปู่จามทั้งห้อยทรายแล้วก็ไปคารวะเจดีหลวงปู่ล่าแล้วก็ไปวางพวงมาลาเจดีของคุณแม่ แล้วก็เค า, ารบคารวะพระาธาตุที่วัดหลวงปู่จามพระบรมสารีริกธาตุนักธาตุพระรหัตจากนั่นก่อนเมาพักค้างที่สกลนครพอตอนเช้าวันที่เจก็ไปเปิดอาคารเรียนสกล ร, ราชวิทยานุ ก, กูลอาคารสีชั้นที่จัดโยมทางกรุงเทพท่านมาสร้างแ่าก็มามอบให้ด้วยน้ำจิตน้ำใจของท่านจริง ไม่มีเงินงบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวอยู่ในนั้นเหมืองั้นเะท่านสร้างทั้ง24ล้านเจ็ดแสนอาคารหลังเดียวและก็เป็นคนเป็นผู้เสียสละพ่อกับลูกกับครอบครัวของท่านอันนี้จะเป็นหน้าบูชาน้ำใจอย่างยิ่งเหมืองั้นเะหลวงพ่อวาถ้าวัาเศรษฐีเมืองไทยของเราผู้มีอันจะกินเนี่ยช่วยช่วยการคิดไปดูแล้วก็จุดไหนที่ขาดตกปกพ่อง อาคารเรียนบ้งโรงพยาบาลบ้างช่วยกันต่อเติมคนละนิดคนละหน่อยด้วยน้ําจิตน้ําใจหลวงพ่อบอกประเทศชาติของเราก็คงจะน่าอยู่เพราะต่างคนก็ต่างมีน้ําใจต่อกันนะอนนี้วันที่พอเสร็จวันที่เจ็ดหลวงพ่อก็พักหยุดอีกเพราะว่าวันที่แปดจะได้มาทอดผ้าป่า ที่วัดหลวงตามหาบัววัดป่าบรรตาศถ้าจะมาวัดของเรากลับออกไปอีกเราก็เหนื่อยเราเลยพักที่สกลนครอีกคืนหนึ่งพอตอนเช้าฉันยังขันเสร็จแล้วก็รีบมามาก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าสนวนราชการโรงพยาบาลแล้วก็พี่น้องประชาชนฝ่ายพระสงฆ์ด้วยร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสร้างตึกโรงพยาบาลศูนย์อุดรก็รวมกันตอนบ่ายโมงหลวงตาลง ม, มารับ จากนั้นก็ได้ถวายก็ได้ทราบว่าได้เงินทั้งหมด8ล้านนะวันนั้นอะ่ะก็ ว, ว่าเป็นเงินสดสองล้านเป็นเช็คอีกหล้านรวมแล้วแดล้านกว่าก็นับว่าได้มากทีเดียวแต่พอไหมยังไม่พอนะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านกล่าวถวายองค์หลวงตาว่าตึกหลังนี้เฉพาะค่าโครงสร้างอย่างเดียว ร8 3แปดสิบสามล้านและก็อุปกรณ์ในโรงพยาบาลนี้เท่านั้นนั้นเท่านั้นอันนั้นเท่านั้นฮะรวมแล้วทั้งหมดเป็นตัวเลขออกมาอันนั้นแปลว่าเต็มที่นะเต็มที่คล้ายๆว่าจะให้สมบูรณ์ที่สุด <c oughs> ก็เป็นเงินทั้งหมดสองร้อยหกสิบสี่ล้านเดี๋ยวนี้จะตุปัจจัยได้มากไหมอาจจะมีคนถามนะอาจจะถามในใจก็ได้ เดืนี้ได้ประมาณสัก230กว่าล้านเศษต้นต้นว่างั้นประมาณนี้แหละแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ติดตามเมื่อวานเมื่อกระถินเมื่อวันเกิดหลวงตาผ่านไปแล้วเนี่ยได้เท่าไหรนะ่แต่ว่าดูๆแล้วก็ น, นี่แหละประมาณนี้แหละ230กว่าล้านต้นต้ น, ตนก็ไม่มีปัญหาถ้าจะพูดไปแล้วก็คงจะตุปใจัยเขาถวายหลวงตาคนล็นิดหน่อยน้ํา ซับน้ําซึมคนละมากคนละน้อยไหลเข้าไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่าตึกหลังนี้26งสล้านเนี่ยกล่ว่าคงไม่มีปัญหาจากนั้นก็หลวงพ่อก็กลับมาวัดไงวันที่แปดวันที่เกพักผ่อนวันที่สิบลงออกไปไประชุมเรื่องสถานีวิทยุอีกวันที่สิบอ็ดออกไปอีกวันที่สิสองวันเกิดลูกตาออกไปอีกวันที่สิบสามเมื่อวา น, นจะได้ออกไปอีก ไปไประชงเกี่ยวกับจะฉลองเจดีธรรมเจดีคือวัดโพธิสมพรท่านสร้างเจดีหมดไปเกือบห้ล้านนะสร้างถวายองค์หลวงปู่ธรรมะเจดีแล้วก็บรรจุลูกศิษย์ลูกหาของท่านตั้งแต่ครูบาอาจารย์ของท่านหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เขาหลวงปู่ต่างๆเป็นเป็นลูกเหมือนทองเหลืองเหมือนกันนะในเจดีสามชั้นนี่จะฉลอง อยากจะทำบุญเฉลิมฉลองหรือว่ามอบวันที่วันที่สามสิบเอ็ดนี่ยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพระเทพเสดดจนะถ้าว่าสัททายาตโยมผู้ใดยอยากจะไปก็ได้แล้วก็มีการฉลองใหญ่แล้วก็หลวงตาตอนบ่ายหลวงตามหาบัวจะมารับภาพ ป, ป่าแล้วก็คงจะเทศนาตามอัธยาศัยของท่านเริ่มตั้งแต่วันที่สามสิบนะสิงหาแล้วก็ส1มสิบเอ็ และก็วันที่หนึ่งและก็เป็นวันจบงานอันนี้คือบรรจุพระพรหมสารีริกษธาตุกษธาตุพระอรหันดูแล้วมวาวนี่ากหลวงพ่อก็ขึ้นไปดูทั้งสามชั้นนั่นะดูแล้วก็สวยงามสวยงามดีนะทว่าจัทถาญาิโยมผู้ใดอยากจะไปกราบคารวะก็ได้นะวันที่ส0 3สสาิอสิงหาและก็วันที่หนึ่งกันยา วันที่หนึ่งะเป็นวันเสร็จสิ้นตามไม่จริงไปวันที่หนึ่งดีนะไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี่แหละเมื่อวานหลวงพ่อไปธุระเนี่ยเพื่อกลับมาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ก็ภารกิจของหลวงพ่อเพื่ออะไรก็เพื่อพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะเพื่อพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราช่วยๆกันคิดช่วยๆกันจัดการเรืองว่าช่วยๆกัน ดำลงเชิดชูบูชาคนละไม้คนละมือพระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับโลกไปนมานานแต่ถ้าว่าต่างคนต่างคิดว่าหน้าที่ไม่ใช่ข่าข่าไม่ใช่หน้าที่ต่างคนก็ต่างไม่ใส่ใจพุทธศาสนาก็คงจะไม่ยืดยาวมาถึงปานนี้ไม่คงจะไม่มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วก็ให้ช่วยๆกันนะอันดับแรกก็คือให้ช่วยตัวเองนะั่นะ มองตัวเองให้เป็นคนดีให้มองพวกเราให้เป็นคนดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมจริยธรรมถ้าต่างคนก็ต่างมองตัวเองเป็นคนดีแล้วนั่นแหละคนนั้นก็มองคนเองตนเองคนนั้นก็มองตนเองต่างคนก็ต่างมองตนเองทุกคนก็เป็นคนดีในเมื่อเป็นคนดีแล้วนะความร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดขึ้นในชุมชนสังคมของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเรามองมิถมองออกไปข้างนอก คนนั่นน่าจะทำความดีคนนี้ก็ น, น่าจะทำความดีแต่ตัวเองไม่มองตัวเองตัวเองทำความชั่วทุกวี่ทุกวันสิ่งไหนที่ชั่วชาเสียหายเลวทรามตัวเองทำหมดกินเหล้าเมายาเล่นการพนงพ น, นันจั ม, มะเลเทเมาไม่เคารพพ่อแม่ผูกมีวัยวุฒิคนวุฒนะินี่ยตัวเองทำตัวไม่ไม่เหมาะสมแล้วอยากจะให้คนอื่นทำดีแล้ว จะดีได้อย่างไรมันจะต้องเดือดร้อนบุ่นวายเกิดขึ้นในชุมชน ส, สังคมของพวกเราแน่เพราะนั้นการที่จะสั่งสมคุณงามความดีให้มองตนเองเป็นอันดับแรกนะให้พวกเราทุกคนนะมาวัดของหลวงพ่อนะให้มองตัวเองให้ดูตัวเองอย่าไปมองคนอื่นแต่มองคนอื่นก็มองอยู่บ้างแต่มองด้วยกายก ล, กกลัมวจีกรรมมโนกลัมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนกัน คือไม่ใช่มองด้วยอิจฉาไม่ได้มองด้วยไม่ได้มองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่ดีเอาไว้ทุกคนบางทีมันก็ขึ้นก็ลงอารมณ์โมโหโทโสโกธามันก็มีอยู่บ้างแต่ก็คิดว่าเออเขาอาจจะมีอะไรในจิตในใจมั่งไม่สบายใจจึงมีอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาคือเราต้องมองในแง่เหตุผลเอาไว้มองกันในแง่ดีเอาไว้ ถ้าพวกเรามองกันในแง่ร้ายแล้วมีอะไรก็ผิดหูผิดตาขวางหูคว้างตากันไปหมดผลที่สุดก็มิคะสัญญีเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะพวกเรามีแต่มองกันในแง่ร้ายไม่มองกันในแง่เหตุผลไม่มองกันด้วยเมตตาธรรมในจิตใจนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะนนี้คือทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้แตทว่าเมตตาธรรมค้าำคำจุนโลก กาพวกเรามีเมตตาในจิตในใจแล้วจะค้ำโลกทั้งโลกให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเรามีตะกิเลตราคาโทสะโมหะไฟกิเลตราคาโทสะโมหะมาสุมกันโลกมันจะมันไหลไปได้ไง่ายๆเหมือนกันนะเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าเป็นวันพระแรม8ดค่ำเดือนเกตรงกับวันที่สิบสี่ สิงหา52เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งแต่เมื่อสองวันที่ผ่านมาคือวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติที่ประเทศชาติคือชาติไทยของเราได้ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติหลวงพ่อก็ได้พูดเมื่อวันที่12สิงหาเกี่ยวกับคำว่าพ่อแม่คำนี้นะ่ยมีความหมายอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายมีปัญญามาก ก็จะเห็นบุญคุณของพ่อแม่มากเหมือนกับพระพุทธศาสนาเนะี่ยาว่าพวกเรามีปัญญามากเราจะเห็นคุณค่าพระพุทธศาสนามากอย่างอิติปิโสพระคาวาอรหังเนี่ยมรยาอยู่ทั้งปีทั้งเดือนก็ไม่มีวันสิ้นสุดที่พระพุทธเจ้าทำคุณให้แก่โลกนั้นเป็นยังไงบิชาของพระพุทธเจ้าคืออะไรจรณะของพระพุทธเจ้าคืออะไรกนการถึงพร้อม วิชากับจรณะของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรเนี่ยอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าจําแนกททำอย่างไรถ้าจะอธิบายผู้มีปัญญาอธิบายแล้วไม่มีที่สิ้นสุดกว้างขวางมากนี้ก็เหมือนกันถ้าลูกผู้ใดก็ตามและลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ผู้มีปัญญานะผู้มีปัญญาและลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่พ่อแม่จะมีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับบุตรทิดาถ้าบุตรทิดามีปัญญาน้อยลง มีปัญญาไม่ไม่กว้างขวางบุญคุณของพ่อแม่รละลึกก็ไม่กว้างขวางเท่าไหร่แต่หาว่าลูกคนใดมีปัญญาเลวซรามมีปัญญามาไม่ดีไม่มีปัญญาเลยจะระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเขาคิดไม่ออกท้ถ้าผู้มีปัญญาทีนี้จะคิดยังไงถ า, ถามถามหลวงพ่อว่าหลวงหลวงพ่อคิดยังไงถ้าบ่าคนมีปัญญาระลึกถึงบระคุณของแม่ของพ่อ หลวงพ่อจะชี้ให้นําดูว่าพวกเราเกิดมาจากพ่อแม่นะเกิดมาแต่เล็กแต่น้อยตัวสีแดงพวกเราเคยเห็นไหมที่เห็นเด็กเด็กเกิดมาไหมแล้วก็พ่อแม่เขาทาอย่างไรกับลูกของเขาแต่ละคนแล้วพวกเราทุกท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเป็นอย่างที่เราเห็นไหมที่ที่เขาเลี้ยงดูเด็กไหมเราปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันมาแล้วกับแบบาะ จากนั้นก็นไม่รู้ว่าขี่ไม่รู้ว่าเหยียวไม่รู้ว่ามิอะไรตัวมิอะไรเพราะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะตัวเองเป็นเด็กพ่อแม่จะต้องดูแลประครบประงบแล้วก็ป้อนข่าวป้อนน้ำทั้งขี่ทั้งเหยียวรถพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องช่วยดูแลลูกของตนเองนี่แหละพอเป็นเด็กขึ้นมารู้เรียงสาภาวะกว่าที่จะรู้เรียงสาภาวะกันหลายปีเหมือนกันจากนั้นก็ได้ส่งเข้าหลงรําโรงเรียน ปฐมอนุบาลปถมมัธยมจนถึงขนาดนี้ล่ละตามฐานะของพ่อแม่ที่ส่งมาเราคิดดูสิว่าพ่อแม่นั้นทำคุณประโยชน์ให้แกเรามากน้อยแค่ไหนเรามองไม่เห็นเหรอถ้าเรามีปัญญาเราจะต้องมองเห็นว่าพระคุณของบิดามารดานั้นมากมายขนาดไหนแต่ถ้าว่าพวกเราเป็นคนโง่เราจะมองไม่เห็นพระคุณจุดนั้นเห็นมาเ อ, อิ ท่านมีหน้าที่นั่นก็ต้องเลี้ยงดูเรามาเราก็มีหน้าที่เป็นลูกเราจะทําอะไรก็ได้สิ่งไหนที่เป็นช่วยชาติสอบสนุกสนานอะไรก็ขนมาให้พ่อแม่หนักอกหนักใจไปหมดอันนี้แปลว่าลูกที่ไม่มีปัญญาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นให้พวกเราโอปัญญิโกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดตปิงต้นว่าธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มองเข้ามาหาตัวเองเราในอยู่ในสถานะนี้ เราควรปฏิบัติอย่างไรกับปิดามารดาเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราปฏิบัติอย่างไรกับลูกหลานของเราให้มีศีลธรรมจริยธรรมดีที่สุดนี่แหละหลวงพ่อได้พูดในวันที่สิสองสิงหาแต่วันนี้หลวงพ่อก็มาพูดอีกเพราะวันนี้มันเป็นส่งกระจายไปทุกเขตกว้างขวางวันนี้เพราะท่านขอให้ผู้ใดได้ยินทำคําสอนด้วยวันแนว ความคิดของหลวงพ่อเนี่ยอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นให้คิดน้อมเข้ามาหาตัวเองให้ะระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่จริงไหมที่หลวงพ่อพูดเน่ะเมื่อเราได้ลูกมาท่านลูกทรยศไม่รู้จักพระคุณของตนเองตัวเองมีความสุขไหมเลี้ยงลูกมายากแสนยากพอใหญ่ขึ้นมาแล้วไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่กินเหล้าเมา ย, ยามาด่าพ่อแม่อีกต่างหากม า, มาเนรคุณพ่อแม่อีกต่างหากมาโกหก ตมตุนพ่อแม่อีกต่างหากเป็นไงเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปทําให้กับพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดคิดดูให้ดีนะนนเมื่อคิดดูแล้วเห็นแล้วว่าเราทําตัวไม่ดีทําให้พ่อแม่หนักใจเราก็อย่าทําตัวไม่ดีนะทําตัวให้เป็นคนดีให้รู้จักพระคุณของท่านเมื่อท่าน แก่เท่าชลาลงไปแล้วท่านช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องในฐานะเราเป็นลูกเราก็จะต้องเข้าไปดูข้าวน้าโภชนะอาหารเป็นยังไงจะตุปัจเงินทองที่ท่านจะได้ใช้มีไหมยุกยาอะไรที่เมื่อท่านเท่าแก่ชลาแล้วเราควรจะดูแลสุขภาพของท่านนี่แหละคือหน้าที่ของลูกทุกคนในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดา บุตรธิดาควรจะทำตอบแทนอย่างไรในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเป็นบุพภากาลีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่พวกเราควรจะกะตัอยู่กระตะเวทีตาอย่างไรเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านล่วงลับไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้แหะคือหน้าที่ของลูกของบุทิดาทุกคนเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงท่านตอบแล้วก็ทํากิจธุระของท่านบางทีท่านเท่าแก่ชราท่านทําอะไรไม่ได้เราก็ทําแทนท่านเพราะเราได้รับอวัยวะทุกส่วนจากหัวหัวจดเท้านี่อรรเราได้รับมาจากท่านแล้วก็ควรแทนพระคุณของท่าน ทำกิตรักของท่านดํารงวงสกุลคล้ายๆกับว่าทำตัวให้เป็นคนดีให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่อย่าไปเที่ยวอย่าไปเตอย่าไปกินเหล้าเมายาคล้ายๆว่าให้ดํารงวงสกุลอย่างพ่อแม่ดํารงวงสกุลมาอย่างไรเราก็สืบทอดจากพ่อแม่ไปและกับประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกนี่แหละจุดนี้อีกจุดหนึ่งประพฤตตนก็คือเป็นคนดี ไม่เที่ยวไม่เล่นการพนงมากพนัไพ น, นไปกินเหล้าเมายาข่าว่าลูกลูกชายลูกสาวกินเหล้าเมายาเที่ยวเตสมมะสมเลเทเม า, าแล้วพ่อแม่จะมอบทรัพย์สมบัติให้เนีะพ่อแม่ก็ต้องคิดโอ้ถ้ามอบให้แก่เขาและแก่ลูกคนนี้แล้วเราจะถึงตายหรือเปล่านานี่ถ้ามันได้เป็นมรดกไปแล้วมันจะซื้อมันจะขายมันจะเอาไปเปลี่ยนเอาไปจำนองจำนงังนำเราก็ยังไม่ตายเท่านเนี่ย ทรัพสมบัติก็หมดก่อนแล้วเราจะมอบให้มันให้แก่เขาไม่ได้เนะนี่ยนี่พ่อแม่ก็ต้องได้คิดนะแต่ว่าพ่อแม่เห็นว่าลูกตัวเองประพฤติตนดีสมควรควรรับทรัพย์มรดกพ่อแม่ก็พร้อมยินดีที่จะยกให้ที่จะให้ลูกของตัวเองเป็นผึกเป็นแผ่นผึกแผ่นแน่นหนาทำมาหาเรี่ยงชีพให้เป็นคนดีนี่แหละอันนี้ก็คือประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดก แล้วก็เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เราต้องคิดอีกเพราะว่าร่างกายของเราตั้งแต่หัวดจนเท้าอย่างที่ว่านะเราได้มาจากพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ล่วงล่วงลับดับคันไปแต่ร่างกายของเรายังมีอยู่ยังอยู่กับเราอยู่นะยังเป็นก้อนทุนของท่านอยู่เพราะนั้นเราเอา ก, ก้อนทุนก้อนนีนะ้ไปลงทุนอีกไปสสแสวงหาทรัพย์อีกเราจะต้องส่งหนี้ศิน ส่งดอกผลให้แก่พ่อแม่ของเราเออดวงวิญญาณของคุณพ่อคุณแม่ตกทุกข์ได้ยากสิ่งสถิตยอยู่ณนะถิ่นใดก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าเนอะคุณพ่อคุณแม่เนอะเนี่ยพกูกเราได้ทําบุญในวันนี้พวกเราในฐานะลูกต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อพูดคือเป็นควันหลงมาตั้งแต่วันที่สิบสองแต่วันนี้เป็นวินวันที่สิบสี่ระลึก การพูดถึงผีคุณบิดามาันดาพูดเวลาไหนก็เป็นมงคลเวลานั้นแหละไม่ใช่อั ป, ปะมงคลพวกเราคิดขึ้นมาเมื่อไรแทนบุญคุณของบิดามาันดาเมื่อไรก็เป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราเมื่อนั้นแต่พวกเราเนรคุณพ่อแม่ไม่มีไม่มีปัญญาอย่างที่ว่านั่นน่ะไม่รู้จักบุญพระคุณของพ่อของแม่ดูถูกเยียดหยามพ่อแม่เมื่อไร เมื่อนั้นแหะเป็นอัปมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราได้พบได้เจอพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเอาคําพูดของหลวงพ่อนะเอาคําพูดพระธรรมคําสั่งสอนที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาที่ท่านพูดในตํำรับตําราในพระไตรปิฎกแล้วก็นํามาสอนบอกกล่าวให้แก่พวกเราให้ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วพวกเราได้ยินได้ศึกษาไปแล้วทีนี้ เราก็อย่าพึ่งไปเชื่อต้องไปคิดไตรตรองดูสิว่าที่หลวงพ่อนําของมานะ่ะเอามาแจกให้เราฟังอีกเนะี่ยจริงไหมเราก็ต้องทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าที่หลวงพ่ออินเอาของมาแจกของปลอมหรือของจริงวะในเมื่อเราเอาไปคิดไปไตรตรองด้วยเหตุและผลนะเออใช่เป็นของจริงที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดำรงวงศกุล ป, ประพฤตตนให้คนสงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่นี่คือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, จาถ้าเรามันนำมาวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลและจริงถ้าเป็นลูกของเราเราก็จะภาคภูมิใจอย่างมากถ้าลูกออกไปจากเราเราเลี้ยงดูเขาไปแล้วเขารู้จักบุญคุณอย่างที่ทำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ า, จาบอกไว้เนเพราะนั้นเราจะต้องเป็นคนดี ในครอบครัวเราจะต้องเป็นคนดีของพ่อของแม่ของวงศ์สกุลของพวกเราเนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนะจะต้องคิดอันนี้คือพูดถึงพระคุณของบิดามารดาเพราะทุกวันนี้โลกทุกวันนี้โดยมากจะหันหลังให้คุณบิดามารดาเป็นส่วนใหญ่จะเน้นไปในทางด้านวัตถุเสียงในที่บ้านวัตถุความเจริญรุ่งเรืองลืมคิดถึงบิดามารดาคืนลืมคิดถึง ผู้มีอุปกรณ์คุณของพวกเราเพราะนั้นหลักของพุทธศ า, าสนาดึงลังชี้ให้ดูว่านี่นะพระคุณนะคิดที่ดีนะถึงพวกท่านจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดขนาดไหนแต่เฉลียวฉลาดไปในทางโลกนะมีแต่ความหายนะให้พวกท่านทั้งหลายหันกลับมาดูซิให้พวกท่านทั้งหลายหันกลับมาทางนี้แล้วดูอย่างนี้แล้วปฏิบัติตนอย่างนี้แล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของท่านเองเป็นอันตราแรก แต่ถ้าว่าพวกท่านมีแต่มองไปข้างนอกเหยียบย่ทาทำลายบิดามารดาญาติพี่น้องวงสาคนาญาตคิดว่าตัวเองจะเจริญรุ่งเรืองไปเถอะไม่กีดน้ําหรอกผลที่สุกก็หันหลังมาหาพี่หาน้องน้ําตาน้องหน้านหะมาหาพี่หาน้องผลที่สุดคนเคยช่วยอย่างเก่าแล้วพอตั้งหลักได้มันก็ไปอีกอย่างเก่าอีกอย่างเก่าพราะเหตุอะไรเพราะว่ามันจิตใจของมันช่วช้าเสียหาย เลวซามอยู่ในจิตใจเพราะไม่มีปัญญาสรุปแล้วนะถ้าคนมีปัญญาและก็อย่างที่ว่านั้นนะใช้สติใช้ปัญญาใช้ความพินิดวิเค ร, ร, ราะห์ทบทวนไตรตรองด้วยเหตุด้วยผล้าพวกเราทำอย่างนั้นได้แล้วนั่นแหละอยู่กับใครอยู่กับพ่อแม่ใดพ่อแม่นั้นก็เป็นผู้มีบุญวาสนาที่ได้ลูกเป็นคนดีนะแต่ถ้าว่ามันตรงข้ามกันอย่างที่ว่านั้นเป็นบาปกรรมของพ่อแม่เหมือนกัน เผอเเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่มองไม่เห็นอีกทางหากตัเองเป็นลูกของพ่อของแม่ตัวเองก็คงจะทําไม่ดีกับพ่อกับแม่มั่งเราจึงได้ลูกอย่างนี้มาโดยมากจะมองไม่เห็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นพวกเรามาถึงจุดของเราแล้วที่ได้พบได้เจอแล้วเราต้องปรับปรุงตัวของเราให้ดีเมื่อปรับปรุงตัวให้ดีแล้วลูกของเราจะเป็นคนดีหลานของเราจะเป็นคนดีดีไปเรื่อยๆเท่นี่น่ะนี่แหละหลักธรรมความสั่งสอนของพระพุทธศาสนาท่านสอน ละเอียดละออมากในการเป็นอยู่ของพวกเราแล้วก็พร้อมกันสอนแนววิธีความคิดอีกต่างหากที่แนววิธีความคิดคือเรื่องสมาธิสมาธิเป็นแนวความคิดถึงเราจะทําดีขนาดไหนในโลกวัตฏสงสารนั้นเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดภารกิจของโรงพ่อได้ทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเริ่มโรงเรียนช่วยใครต่อใครแต่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็ออกไปด้วยไม่ได้สักอย่าง เอออันนี้ต้องคิดไว้ในใจอันนี้คือเป็นภาษาใจของตนเองต้องคิดไว้ว่าคุณงามความดีนั้นเราต้องทำเพราะว่าหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญเพราะพุทธเจ้าตายแล้วเกิดอีกนะตายแล้วต้องเกิดอีกนะวีญญาณที่อยู่ในร่างของเราเนี่ยแหละร่างกายนี่แตกตายสู่ดินน้ำลมไปร่างกายนี่คือมีดินคือกระดูกของแข็งผมกระดูกเนื้อเนี่ยเป็นของแข็งลงไปสู่ดิน ส่วนน้ำก็คือน้ำปัสสาวะน้ำเลือดน้ำอยู่ในร่างกายของเราจะ บ, บรรยายก็ามากคือธาตุธรรมอยู่ในร่างกายของเราธาตุไฟก็คืออบอุ่นร่างกายของเราอบอุ่นอยู่ในร่างกายเผาอาหารให้ย่อยอย่างเนี้ยธาตุไฟส่วนธาตุลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในช่องท้องในลมในลำไส้ลมผักดันออกให้เลือดลมของเราวิ่งไป สู่ผิวหนังต่างๆอันคืออาศัยธาตุลมพักดันออกไปอันนี้เร็วกว่าธาตุลมเพราะฉะนั้นธาตุของเราเนี่ทั้งสีเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่คือร่างกายส่วนนามธรรมคือเป็นธาตุอันหนึ่งวิญญาณธาตุมาอาศัยร่างกายมาอาศัยธาตุสีนี้อยู่นี่แหละตัวมาอาศัยธาตุสีนี้อยู่เน่ยตัวนั้นแหละไม่ตายแต่ตัวนั้นจะต้องไปเกิดไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้ พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปูตง่ต่างๆที่ท่านไปอยู่ป่ารงพงไพ่ไปอยู่ในที่สงบสงดัดเป็นนั่งภาวนาเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงกําหนดลมหายใจเข้าออกจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วทุกองยอมรับว่าเออพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงทําได้ยังไงคิดได้ยังไงจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสทุกอย่าง ร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันจริงๆเป็นคนละส่วนกันจริงๆเมื่อจิตสงบเข้าไปแล้วชัดเจนในความรู้สึกของเราจริงๆท่านไม่ได้เชื่อที่อื่นนะเชื่อในการประพฤติของท่านเองในการกระทําของท่านเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจตรัสว่าธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้ในความรู้สึกเรื่อความเป็นอยู่ของตนเอง เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนนะ่ะให้นั่งภาวนานะถึงจะปฏิเสธอย่างไงอย่างไงมันก็ปฏิเสธไม่ออกหรอกปฏิเสธอย่างไงก็ยังสงสัยอยู่อย่างนั้นนะ่ะถ้าว่าพวกเรานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละอ่านกันแต่อาศัยกันอยู่ที่หลวงพ่อพูดที่หล่หลวงพ่อกว่าคนรถกับคนขับรถอย่างนั้นนะ่เห็นได้ชัดเมื่อนั้นแทะ เปรียบเทียบอย่างนั้นเห็นได้ชัดนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสาัตยาติษฐมทุกคนนะ่ะบาปปุลคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริ ง, รรรรงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าว่าพวกเราทําชั่วในเดียวเนี้ยไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ฆ่าตีเขาเข้านี่ความทําความชั่วเขาก็จับเข้าคุกเดี๋ยวนั้นเลยตกนรกเมืองมนุษย์ว่างั้นถ้าเราทําคุณงามความดีช่วยเหลือชุมชนสังคม อย่างที่หลวงพ่อพาพวกเราท่านทั้งหลายทำเนี่ยเออช่วยชุมชนเนะ้่ช่วยสรงโรงพยาบาลเนนะต่างคนก็ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสกับพวกเราที่พวกเราได้ช่วยเหลือชุมชนจากนั้นก็เราก็ให้มันดูตัวเองอีกเออเรารักษาศีลเนนะ่ให้ทานนะ่รักษาศีลภาวนาปฏิบัติตนเองนะ่ยทำตนให้เป็นคนดีเมื่อทาตนให้เป็นคนดีนั่นแหละบุญกุศลก็จะเข้าสู่มาสู่จิตใจของพวกเรา พวกตัวของเราเองนะจะภาคภูมิใจอย่างมากคิดขึ้นเวลาใดเมื่อไใดเวลาใดใจของเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใส น, นะนะเมื่อจิตใจของเรายิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจของเราเป็นกุศลแล้วถึงวันจุดจบของพวกเราคนเราต้องแก่เกิดมาแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายมีเทียมีแค่นั้นแ่ะไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องมรณะภัยเนี่ทุกคนทุก ตัวสัตว์ทุกตัววิญญาณต้องเจอด้วยการทางนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่ขู่กันไม่ใช่บอกกล่าวให้กลัวเพียงแต่ชี้นาว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะ้อตายแล้วไม่สูญนะบาป บ, บุญกุญโษมีจริงนะให้เราสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ให้เราทําบุญเอาไว้คือไหว้พระสวดมนต์ปฏบิบัติบิดามารดาให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าทำให้คนอื่ น, น, ท, น, นทุกข์ใจกับเรา ให้พวกเรามีน้ำจิตน้ำใจให้พวกเรามีศีลธรรมในจริยธรรมที่ดีในเมื่อเราทำได้อย่างนั้นแล้วนะ่ะความสงบผาสุกก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเป็นอั น, อนดับแรกนะต่อไปกับเป็นอันดับที่สองก็คือครอบครัวของเราวงศาคณาญาติประเทศชาติบ้านเมืองโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นจุขไปด้วยถ้าทุกคนมีศีลธรรมมีคุณธรรมในจิตใจนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิด ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษายาวพอยืดยาวพอสมควรตั้งแต่เริ่มต้นว่าภารกิจของหลวงพ่อเป็นยังไงและก็วันนี้เป็นวันพระพวกเราควรจะรักษาศีลอย่างที่ทายกได้พูดว่าวันนี้เป็นวันอะไรและก็เพื่อบุญเพื่อกุศลสำหรับพวกเราที่เราได้รักษาศีนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งคือวันนี้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับพระคุณของบิดามารดา บิดามันดามีพระคุณอย่างไรสำหรับพวกเราคนมีปัญญามากก็รู้พระคุณมากพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นคุณมากในหลักพระพุทธศาสนาถ้าพิจารณาถึงพ่อถึงแม่ก็เป็นผู้มีพระคุณมากเพราะเห้เราเพราะคนมีปัญญานะถ้าปานกลางลงมากออ็รู้จักพระคุณของท่านในระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าผู้ไม่มีปัญญาเฉยก็ต้องเนรคุณคาพูดของ พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโอ้ยสอนไปอย่างนั้นเ่ะโกหกคนกินไปอย่างนั้นแ่ะพ่อแม่ก็เหมือนกันนั่นแหะจะมีบุญคุณอะไรท่านให้เราเกิดมาแล้วกันเป็นหน้าที่ของท่านจะต้องดูแลเราเนะี่นี่แหละให้ขา้าวบกคนไม่มีปัญญาคนงโง่เช่อย่างเดียวจะไม่รู้จักบุญคุณของใครทั้งหมดเห็นแต่แก่ตัวเจน ตัวเองมีเท่าไหร่อยากเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่เบียดเบียนเยียบย่าทำลายผู้อื่นเท่าไหร่นั่นแหะคนอย่างนั้นประเภทอย่างนั้นจะเป็นไปแนวแถวลักษณะอย่างนั้นนะพวกนั้นพวกเราได้พบได้เจอทําคําสังสอนได้เจอพ่อแม่เป็นภูมีพระคุณและก็ขอให้พวกเราทําตนเป็นคนดีในสรุปแล้วนะอันนี้ก็คือการพูดแต่จากนั้นก็แนวความคิดอีกที่หลวงพ่อได้พูดว่าแนวความคิดเนะี่ยสมาธิธรรม ทำจิตใจให้สงบนะ่แล้วก็ให้ดูซิว่าร่างกายแกบจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันแล้วก็บุญกุศลเนี่ยจะเข้าสู่จิตใจส่วนร่างกายนะั้นถึงจะทำดีขนาดไหนร่างกายก็จะต้องแก่เจ็บตายเพราะร่างกายเป็นธาตุสี่ประชุมด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ส่วนจิตใจนั้นเป็นนามธรรมนามธรรมตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักมากเรื่องนามธรรมจุดนี้เนะี่ย ตัวนี้แหละท่านเน้นหนักเรื่องพุทธศาสนาเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธปรรมถ้าพวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติดูแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมนะเพราะฉนั้นพวกเราให้เดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมทางโลกทางธรรม จะไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนบุญนวายในจิตในใจของพวกเราถึงคราวตายแล้วก็ถึงคราวจุดจบของชีวิตก็หลับตาเล ย, ยงัไม่ลืมตาเพราะพิจารณาได้ทำคุณงามความดีเต็มที่แล้วในความรู้สึกของพวกเรานะต่อนนี้ไปพระนสุ์จะอนุโมทนาให้พร